ถึงภาพที่เป็นรูปธรรมเข้ามาจัดการกับมันเสมอนะอย่าพึ่งลุยเข้าไปกับมันอะไรโดดเข้ามาก็ไปลุยกับมันเป็นเรื่องเป็ราวจนจบไม่ได้ต้องตั้งท่าก่อนเออเรื่องนี้เข้ามาแล้วนะจะเอาไงปาองแผลเง่นก่อนจะตามมันไปไหม น, นี่คือข้อได้เปรียบละให้ตั้งสติแต่ความเคยชินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราฝืนได้ยากมาก นะความเคยชินเรื่องรักเรื่องชังเรื่องผลประโยชน์เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องเขาเรื่องเราพวกนี้ยมันไวมากเลย ล, ลงไปเนี่ยใครไปพูดผิดหูสักคำนึงไปเลยนะ <c oughs> ไม่ตรงมากใช่ไหมโอ้นอนแล้ไม่หลับทั้งคืนเนอะาไงมึงว่า ก, กูแบบนี้ว่ากูไปพูดอะไรกันคี <c oughs> ้ทิ้งอย่านั้นนอนไม่หลับเลยนะ เออที่เราปฏิบัติที่ว่าได้อารมณ์ดีๆเนะี่ยใครพิดผิดพูดผิดหูสักเรื่องเนะี่ยไฟหมดเลยแล้วนะทั้งทั้งวันเนะี่ยไม่มีเหลือเลยมันต้องระวังไว้ใจไม่ได้เลยจริงๆนะะการมีสติมันช่วยได้ตรงนี้ไม่ว่าคนปฏิบัติกับปฏิบัติใหม่เนี่ยถ้าหากว่าไม่รับม่ระวังเนะี่ยพอเจอเข้าไปหนัหนกๆแล้วก็รุนหนักก้โ อ, อกันนะพอไฟมันไม่ได้เลือกอะไรไหมว่าคน ผ่านหรือบัณฑิตคนผู้รู้หรือผู้ไม่รู้ขึ้นชื่อว่าไฟแล้วไหมได้ทุกคนไม่ได้ทุกเรื่องขึ้นชื่อว่ากิเลสตัณหาแล้วมัีโอกาสเข้าไปก็มันก็ขยายตัวได้ทุกเรื่องดังนั้นขอให้เราไดอารมาระวังแล้วก็เวลาปฏิบัติอย่าไปคิดว่าจะเอานะอย่าไปคิดว่าจะเอาไปคิดว่าจะได้แต่คิดเสมอว่าเรากําลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ เราศึกษาอยู่ว่าอะไรข้อมูลมีข้อมูลให้เราศึกษาคือความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางจิตความรู้สึกทางกายเรียกว่าเวทนาความรู้สึกทางจิตเรียกว่าอารมณ์เราเข้าศึกษาเรื่องเวทนาและอารมณ์กายแล้จิตไปตัวตั้งนะเหมือนตัวไม้ตัวหนึ่งเราจะ ดูที่ต้นไม้ดูเหมือนไม่หลากหลายแต่พอมาดูที่เงามันล่มมันมีความหลากหลายนะเราดูมองต้นไม้ที่มันตั้งอยู่ข้างสะดูเหมือนไม่มีอะไรหลากหลายนะแต่ดูต้นไม้ที่มันยืนอยู่ในสะน่าดูกว่าไห เ, าเวลาเดินไปขอบสะใช่ไหมป่าไม้ที่ปรากฏในสะเออเราก็ชอบภาพนั้นมากกว่าที่จะดูต้นไม้ที่มันยืนอยู่ข้างสะนะ เพราะนั้นเหตุการณ์ที่จริงๆเนี่ยมันเหมือนต้นไม้ที่ยืนอยู่แต่เหตุการณ์ที่มันเทียมเทียมคือเรื่องราวที่มันนํามาคิดเรากลับไปประทับใจเรื่องเหล่านั้นมากกว่าถ้าหากว่าเราเจริญสติเนี่ยมันจะทําให้จิตเราฉลาดมองภาพจริงมากกว่าภาพหลอกแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เจริญสติร้อยทั้งร้อยน่ะเราจะไปหลงภาพหลอกมากกว่าภาพจริงนะเราดูเหตุการณ์ที่บ้านของเราเนี่ยเราก็เฉยเฉย พอไปสร้างเป็นหนังทําไมเราร้องให้ร้องห่มเป็นพาเป็นเวรใช่ไหมเออเราก็ร้องไห้เสียน้ําตาเพราะหนังนี่ยมาเยอะแล้วนะนั่นนะเราชอบภาพหลวงให้ความสําคัญกับภาพหลวงมากกว่าภาพจริงเนะพราะมัน ส, นสรรส้างตกแต่งได้สวยกว่าแล้วเป็นอลังการด้วยอำนาจของอตันหานะดังนั้ น, น, นการจเจริญสติช่วยให้เราลดนะ ความเข้มข้นของตัญหาลงไปการเจือจางเจือจางเจือจางความเข้มข้นของตัญหาผทานแล้วก็ทําให้เราสลัดทิ้งตัวคิดตัวอยากได้ง่ายขึ้นเมื่อทิ้งตัวคิดตัวอยากได้ขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายเมื่อจิตเราเบาสบายก็เป็นเหตุแก่ให้เกิดสมาธิและปัญญาและสามาธิปัญญาตัวนี้ก็จะทําให้เรานําไปใช้ได้มากมายมหาศาล เราสามารถสรรสร้างความสุขความสงบให้กับใจของเราได้ตามต้องการไม่ต้องหวังว่าจะมักจะบรรลุมักผลเมื่อไหร่ไม่ต้องหวังแค่แค่เราใช้สติสัมเนธจัดการกับอารมณ์ให้เป็นมันก็เป็นมักเป็นผลไปในตัวละส่วนมาจะสมบูรณ์เมื่อไหร่ในเด็นเรื่องของมันแต่ให้เราฝึกทำตัวมักเรื่อยๆเล็กๆน้อย ๆ, ๆทาไปที่เราเข้าใจได้นะ อันนี้คือเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นการที่เรานั่งยกมือนานๆเดินนานๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นเวทนาทางกายและเวทนาจิตให้ชัดเพราะเวทนาทางกายทั้งที่ดีและไม่ดีมันก็ปรากฏให้เราเห็นเวทนาทางจิตทั้งที่ดีและไม่ดีมันก็ปรากฏให้เราเห็นตลอดใช่ไหแต่เราเนี่ยต้องฝึกเข้าไปจัดการกับมันให้เป็นมันเป็นสนามให้เราฝึก แต่เมื่อเราไปอยู่เหตุการณ์ที่บ้านเนี่ยมันก็เหตุการณ์เดียวลักษณะนั่นแหละแต่มันก็เพียงแต่เปลี่ยนหน้ากันมาเท่านั้นเองไม่ได้พ้นขอบข่ายไปเรื่องของ โ, โรคปวดหลงหรอกนะนั่นั้นพอเราฝึกจนนี้จะชํานาญเดนร้อยเดินร้อยร อ, อบพันรอบสร้างจังหว่า้อยครั้งพันครั้ ง, งมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเราฝึกเข้าไปจัดการอะไรกับมันได้บ้างยกมือแต่ละครั้งบางครั้งความคิดมี บางครั้งความคิดไม่มีบางครั้งเฉยๆบางครั้งก็ไม่เฉยบางครั้งชอบบางครั้งไม่ชอบบางครั้งอึดอัดบางครั้งปรงใสเยมันก็จะหลับกันเข้ามาเข้ามาแล้วก็อ่านไปอ่านไปการที่เราอ่านได้เห็นผ่านไปเป็นฉากเป็นฉากแล้วเนี่ยมันก็ทําให้จิตของเราเกิดทักษะเกิดประสบการณ์แล้วประสบการณ์เหล่านี้มันก็จะย้อนนํากลับมาใช้ต่อเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกครั้งนึง ที่เราจะไปไประสบข้างหน้าอ๋อเราเจอมันแล้วเนี่ตอนที่เราปฏิบัติใช่ไหมมันก็เวียนกลับมาให้เราเห็นเพราะอ๋อเราเจอมันแล้วมันก็ไม่แปลกใจแล้วเพราะในช่วงปฏิบัติเราจึงไม่หลงเพลินไปกับความสุขหรือความทุกข์ที่เข้ามาแต่สังเกตเห็นความสุขความทุกข์ที่เข้ามาเรื่อยๆว่ามันมีความวิจิตพิสดารอย่างไรบ้างแล้วก็ผ่านไป เดี๋ยวไปสักพักหนึ่งมันก็มีเหตุการณ์ใหม่เข้ามาก็ดูมันผ่านไปจนกระทั่งว่าจิตของเราเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นผู้เข้าไปเสพไปเสวยไปลุยไปเล่นกับอารมณ์ที่เกิดจากเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทัางจิตก็ดีแต่ถ้าเรามาฝึกฝนแบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปลุยไปเล่นแต่มันเป็นผู้จัดการเป็นผู้เฝ้าดูเป็นผู้สังเกตการแล้วก็ สามารถที่จะจัดการได้ตามต้องการว่าเอออารมณ์ไม่ดีออกมามันเป็นอย่างนี้นะทําให้จิตของเราเศร้ามองทําให้จิตของเราเสียกําลังทําให้จิตของเราขุ่นมัวจัดการยังไงอ่ะจัดการมันคื อ, อถ้าอารมณ์ดีมันเข้ามามันทําให้เราเกิดความอิ่มเอิบเกิดความปลอดโปร่งแจ่มใสเกิดความมีพลังกำลังขึ้นมาเออลักษณะจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเป็นอย่างนี้นะ แล้วก็สามารถจะเห็นทั้งสองด้านของอารมณ์พอไปชีวิตจริงมันก็จะมีอารมณ์แค่2ด้านโชว์ตลอดใช่ไหมด้านนิ่งตีโพสิทีฟด้านรักด้านชังด้านดีด้านชั่วด้านบุญด้านบาสด้านหนักด้านเบามันก็ปรากฏแค่2ด้านเพราะมิติสองด้านนี้มันก็มาจากของเดิมมันก็คืออะไรออริจินอลซอสของมันก็คือการเกิดและการดับใช่ไหมยม พันสามม่รู้เข้าใจได้หรือเปล่าเรื่องนี้ได้นะ Original s o r t คือการเกิดและการดับดังนั้นสิ่งมันจะไอตัวเกิดดับแค่สองอย่างเนี่ยมันจะแปลงมาเป็นกี่หมื่นกี่แสนหน้าก็ตามเราก็จำมันได้มันก็ย้อนไปหาที่เดียวของมันใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่รู้จากการเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ต้องไปให้ความสำคัญเป็นของใหม่เหตุการณ์ใหม่ไปเรื่อย ในครอบครั ว, รวงลงไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นมันก็ยังมีแค่สองเรื่องดีและไม่ดีฝ่ายถูกแล้วฝ่ายผิดแม่ถูกลูปผิดสามีถูกแฟนผิดอะไรรองเนี่ยก็ยัมีแค่สองเรื่องอนะ่ะให้เราได้คิดให้เราได้ตัดสินแต่ถ้ามันดีด้วยกันทั้งหมดก็มไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ถ้ามันช่วยด้วยกันทั้งหมดก็ไก็มีปัญหาแต่มันก็มีดีมีช่วยอยู่แนนเพราะมีเกิดมีดับ พอเราเข้าใจสัจธรรมของชีวิตอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็การวางใจก็ง่ายขึ้นนะดังนั้นการฝึกฝนในการเคลื่อนไหวเนี่ยมาว่ามันเป็นอะไรที่หลากหลายที่ให้เราเข้าใจได้หลายมุมมองได้หลายมุมซึ่งต่างกับวิธีทั่วไปให้เราเน้นย้ําแต่จุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นเราจะออกจากกรอบนั้นไปก็กลัวว่ามันจะ ผิดจะเพียยแล้วก็ไม่กล้าใช่ไหมแต่ในวิธีการเคลื่อนไหวคุณสามารถศึกษาได้ทุกอารมณ์ที่เข้ามาไม่มีกรอบตายตัวแต่ประการสําคัญเวลาแห่งการฝึกฝนพวกเราคือเป็นเวลาแห่งการเตรียมกําลังสติสัมปชัญญะให้พร้อมเท่านั้นเองในเรื่องอารมณ์ที่จะจรเข้ามาเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะไม่มีมาตลอดเวลาใช่ไหมมาตลอดเวลา แต่ตัวตั้งรับคือสติชั่มย่ายใของเราเนี่ยพร้อมแค่ไหนนะเพราะฉะนัะ้นการฝึกฝนของเราก็จึงเน้นความต่อเนื่องอเพื่อให้จะได้ทันดูเหตุการณ์เหมือนก็นั่งดูไก่แสน้ําที่ไหลผ่านหน้าเราพลาดสายตามาได้เลยนะมองไปนั้นปุ๊บ ก, กลับมาอีกทีเอาไอ้นั้นไหลผ่านไม่ทันดูเลยน ะ, น ะ, นะหรือมองดูรถผ่านหน้าบ้านเราคันไหนบ้างจ้องอย่าง ไม่ขาดสายตาเลยมันก็จะจํารถได้ทุกคันเออคันนี้สีขาวคันนี้สีแดงคันนี้สีดำคันนี้รถเก่งคันนี้รถดุ่าคันนี้มีสุแต่เผื่อไปมองปั๊บอีหลายคันผ่านสายตาไปโดยไม่ได้ดูเลยนี่เหมอนกันพอเรากําหนดรู้อยู่ปัจจุบันอย่างชัดเจนเนี่ยอะไรผ่านเข้ามาเราเห็นหมดแต่ลืมปัจจุบันขนาดเดียวปั๊บอารมณ์หลายอารมณ์ผ่านไปโดยที่เราไม่ทันได้รู้ใช่ไหมโมหะเกิดขึ้นทันทีเลย อันนี้คือสถน ก, การณ์ที่มันเป็นอยู่จริงนะแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนเรื่องนี้เราก็จะไม่เห็นความสำคัญนะเพราะมันเราก็หล ง, ล, ง ล, ล, ลืมมาตลอดพบชาติกับกันอยู่แล้วแต่ณวันนี้เราเริ่มได้เห็นโทษของมันว่าไอการอยู่ชีวิตมีชีวิตอยู่การหลงลืมนเป็นโทษอย่างไรทาให้เราหลงไหลไปกับมันนั้นสองลักษณะคือการเกิดการดับของคู่เนี่ยเมื่อเราตามทันมันเหลือหนึ่ง ถ้าตามไม่ทันมันก็เกิดอีกหนึ่งไหนคขาว่าไงถ้าเราตามทันมันเหลือหนึ่งคือเหลืออะไรตัวรู้คือแสงสว่างถ้าตามมันไม่ทันมันเกิดอีกหนึ่งคืออะไรคือโมหะไอความหลงความมืดใช่ไหมไห น, หนั้นเราก็เรียกว่าโมหะ แต่พะเราตามทันมันคือปัญญาตามสุขตามทุกทันสุขเวทนาทุกเวทนาแล้วีอีกตัวเนืงอแไรอะอาทุขามวาสุขถ้าเราตามสุขตามทุกทันอาทุขมสุขก็ไม่เกิดตามสุขตามทุกเวทันอทตุขมสุขก็เกิดมันก็จะสร้างภาพวันนั้นดังนั้นตัวที่สามเป็นผลจากการรู้ทันหรือไม่ทันตัวที่หนึ่งและที่สอง อันั้นเมื่อเรารู้คอนเซปต์หลักนี้ก็ง่ายล้วเราก็จะเห็นแต่ใครที่จะไปขยายภาพนี้ได้กว้างได้ชัดกว่ากันนั้นนี้แล้วแต่ทักษะขแต่ละคนนะมาบอกว่าแค่นี้มันขยายได้แค่นี้นะแต่โยมบางคนที่มีประสบการณ์สูงก็อาจจะขยายไปได้มากกว่านั้นนอกของคู่เกิดดับนอกจากขยายเป็นดีเป็นชัว่วเป็นถูกเป็นผิดเป็น เบาเป็นหนักเป็นลบเป็นสวรรค์เป็นบุญเป็นบแล้วขยายอะไรไปเยอะแยะเลยเป็นของคู่ขยายเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมขยายเป็นเกิดเป็นเป็นตายขยายเป็นหายใจเข้าขยายออกขยายเป็นภาพตาลืมตามากมายนทั้งหมดเป็นผลมาจากการเกิดดับทั้งสิ้นเมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างเป็นผลการเกิดดับความเป็นตัวตนจะเหลืออยู่ไหมไม่เหลือเพราะไม่มีที่ตั้งใช่ไหม เขาบอกไปเมื่อกี้ถ้ามันงานทำงานถูกทันเนมันกลาเป็นแสงสว่างแสงสว่างมันอันเดียวกันแหละก็นั่นอันเดียวกันมืดก็คือสว่างสว่างคือมืดนะไม่มีสว่างมืดจะมีไหมไม่มีมืดสว่างจะมีได้ไหมไม่ใช่จะว่าอันเดียวกันก็ไม่ใช่เจ้าคุณอันก็ไม่ใช่เขาว่าเป็นอัญญะมันย่ปัจจัยไงอัญญะมันย่ปัจจัยอยู่เป็นเหตุของกันรละกันเหมือนขาสองขาเนี่ยมันตั้งอยู่ได้ดินสองขา ตัดขาหนึ่งอีกนึ่ก็ล้มแหลเลยใช่ไหมขานี้ตั้งได้เพราะขาหนี้ขานี้ตั้งได้เพราะขานี้เขาเรียกว่าอันญย่มัญแย่ปัจจัยเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีไงอาศัยกันเกิดขึ้นเออนะ่นเป็นเขาเรียกเป็ น, ป, น, ป, น, ป, นปฏิจจสมุ บ, บัติอาศัยซึ่งกันและกันเพราะมีเกิดจึงมีดับเพราะมีดับจึงมีเกิดเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเป็นปัจเจกการที่ผู้ใจดีคนพบเพราะมีอวิชาตัญหาก็เกิดเพราะมีัญหาเกิดเขไปตามหลักกอละวันนี้เนาะเดี๋ยวกลับไปนอนพรุ่งนี้เช้าถึงเช้า ไม่มีอะไรสงสัยนะขออนุญานาสาธุให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้ถึงสาระถึงแก่นธรรมที่เราจะจำเอาไปใช้เพื่อให้จิตใจของเราได้ปลดรล่อยปล่อยวางได้ง่ายขึ้นโดยการทุกคนทุกท่านถือ